ยาซีเรียเรื่องจอมยุง <erma ul im> ่งที่ประชุมเงียบกริบพระอินทร์ถอนหายใจอย่างท้อแท้ พระเนตเมือมองไปยังยอดเขาไกลลาดอย่างมีความหมายซึ่งเป็นกิริยาที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนพลางประกาศด้วยพระสุรเสียงอันกังวาลว่าสู่เจ้าทั้งหลายข้าเป็นชาวสวรรค์บ้านช่องภูมิลำนาวของข้าก็ไม่ได้อยู่ที่นี่การที่ข้ายอมรับตำแหน่งนายก มาเป็นผู้ปกครองโลกก็โดยที่พระพรหมท่านขอร้องและทรงมีเทวโองค์การทั้งข้าเองก็คิดสงสารอยากให้สูเจ้าทั้งหลายอยู่ดีกินดีมีความสุขเป็นที่พอใจโดยทั่วกันแต่ทรงเอื้อนพระสุรเสียงครู่หนึ่งแล้วทรงมีพระดำรัสสืบไปว่า แต่ในสังคมของสู่เจ้าเกิดมีสัตว์ประหลาดจำพวกหนึ่งปะปนอยู่เขาป่วยเป็นโรคขาดความพอซึ่งเป็นโรคร้ายแรงยากที่ใครๆจะทำให้บรรเทาเบาบางลงได้สัตว์โลกที่ว่านี้คือคนข้าเองก็หมดปัญญาที่จะทำความพอใจให้เขาแม้ว่าจะมีฤทธิ์มีอํานาจ แล้วค่าจะทนอยู่ในตำแหน่งไปยัยในเมื่อตัวเองไม่มีความสามารถข้าจึงขอลาออกจากตำแหน่งนายกของสัตว์โลกตั้งแต่บัดนี้ไปขอให้สู้เจ้าทั้งปวงจงเป็นไปตามกรรมการลาออกของพระอินทร์ครั้งนั้นเป็นการประท้วงต่อความทะเยอทะยานของมนุษย์อย่างรุนแรง มีผลทำให้สัตว์โลกทุกชนิดพากันเกลียดกลัวมนุษย์จนทุกวันนี้และต่อไปข้างหน้าอีกไม่รู้ว่ากี่พันล้านปีทุกวันนี้ถึงแม้จะเป็นเวลาที่เหตุการณ์ได้ล่วงเลยมานานกว่าหมื่นล้านปีแล้วมนุษย์ก็ยังไม่ได้รับความไว้วางใจจากสัตว์โลกชนิดอื่นเท่าที่ควรโปรดสังเกตดูไม่ว่าสัตว์ป่า สัตว์ทุ่งสัตว์น้ำหรือสัตว์ประเภทใดก็ตามเมื่อเวลามนุษย์เดินเข้าไปหามันมันก็จะให้การต้อนรับในสองอย่างไม่อย่างไหนก็อย่างหนึ่งคือกระโจรหนีอย่างสุดแรงเกิดหรือไม่ก็ปรีเข้าใส่เพื่อจะกินเลือดกินเนื้อหรือกัดข่วนตบตีฆ่าเราให้ตายเสียอย่าว่าแต่สัตว์ในป่าในดง ซึ่งนานๆจะเจอกันสักครั้งเลยแม้แต่สุนัขซึ่งเป็นสัตว์บ้านมันก็ไว้หน้าแต่คนที่ให้ข้าวมันกินเท่านั้นดอกคนแปลกหน้าคืนไปทำรุ่มร่ามประเดี๋ยวได้น่องหลุดไม่ทันรู้ตัวการลาออกของพระอินทร์ครั้งนั้นนับว่าได้ทำให้เสถียรภาพของมนุษย์สั่นคลอนเอามากทีเดียวลองนึกดูสิคะ ว่าเวลานี้ตัวท่านเองได้รับความไม่วางใจจากพวกเขานั้นกี่มากน้อยถ้าท่านไม่รังเกียจข้าพเจ้าจะเล่าเรื่องเบื้องหลังของเหตุการณ์นั้นให้ฟังเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อพระพรหมสร้างโลกเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็สร้างสัตว์ขึ้นใส่โลกไว้อย่างละคู่ผู้ตัว เมียตัวเรียกว่าสัตว์โลกเสร็จแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดให้พระอินทร์เป็นนายกโลกมีหน้าที่ปกครองสัตว์โลกทั้งปวงฝ่ายพระอินทร์ครั้นได้รับเทวองการแล้วก็มาจินตนาการว่าอันการปกครองสรรพสัตว์นั้นที่จะให้สงบเรียบร้อย ก็ต้องทำอะไระไรให้เป็นที่พอใจของผู้อยู่ในปกครองให้เขาได้กินได้อยู่ตามความพอใจของตนและการที่จะอย่างรู้ว่าใครพอใจอย่างไรก็ต้องปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยให้ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงคิดดังนั้นแล้วพระอินทร์จึงเรียกประชุมสหประชาสัติ์ เป็นการประชุมใหญ่สุดยอดครั้งแรกนักข่าวพระสุมเมนโดยที่พระอินทรงเป็นประธานเองเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วพระอินทผู้เป็นประธานก็กล่าวเปิดประชุมมีความว่าพระองค์ได้รับเทวองค์การจากพระพรมให้มาเป็นนายกแห่งโลกและจะได้ดาเนินการปกครองสรรพสัตว์ ให้สมบูรณ์พูนสุกต่อไปการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อจะได้อย่างเสียงดูว่าใครจะได้ที่อยู่ที่กินอย่างไรเพื่อจะได้จัดสรรให้เป็นที่ถูกใจด้วยกันทุกฝ่ายเอาใครต้องการอะไรว่ามาพระอินทร์รับสั่งพวกข้าเป็นนกสัตว์มีปีกเสนอขึ้น พวกนกเราตัวใหญ่ขาเล็กมีปีกมีหางเดินไปมาไม่สะดวกถนัดแต่ทางบินพวกเราจึงขออยู่บนยอดไม้และทำมาหากินบนยอดไม้ตกลงพระอินทร์ว่าให้พวกนกอยู่บนต้นไม้หากินบนยอดไม้พวกข้าเป็นปลา สัตว์ไม่มีขาไม่มีปีกเสนอเดินก็ไม่ได้บินก็ไม่เป็นเพราะไม่มีปีกมีขาแต่มีครีบมีหางสำหรับแหวกว่ายไปในน้ำจึงขออนุมัติอยู่ในน้ำหากินในน้ำอนุมัติพระอินทร์สั่งการทันทีให้ปลาอยู่ในน้ำหากินในน้ำพวกขาเป็นช้างใหญ่ สัตว์ตัวตอร้องเรียกขึ้นพระพรหมท่านสร้างมาตัวใหญ่เกินไปน้ำหนักก่อเยอะทำรูทำรังอยู่ไม่ไว้จึงขออนุญาตอยู่ในป่าเถอะท่านผู้เป็นนายไม่ขัดข้องอนุญาตให้ช้างอยู่ในป่าพระอินทร์รับสั่งพระอินทร์รู้สึกโล่งพระไทย ที่ได้จัดสรรที่กินที่อยู่ให้ราษฎรเป็นที่ถูกใจด้วยกันทุกฝ่ายแต่แล้วได้มีสัตว์โลกอีกชนิดหนึ่งลุกขึ้นขอเสนอความต้องการของตนเจ้าจะต้องการสิ่งใดพระอินทร์รับสั่งด้วยพระทัยกรุณาพวกข้าขออยู่บนบกสัตว์โลกนั้นว่าได้ พระอินทร์รับสั่งทันทีขอทำมาหากินทั้งทางบกทางน้ำสัตว์โลกนั้นเสนอไปไม่ขัดขอ้องอนุมัติตามเสนอพระอินทร์รับสั่งกับขอยิงนกขอตกปลาขอล่าสิงห์ขอยิงช้างและเจ้าสัตว์โลกนั้นทูลตอบฮะพระอินทร์อุทานด้วยตกพระไทย ถ้าพวกเราสักผ้าก็อย่าให้ฝนตกถ้าพวกเราเดินทางก็อย่าให้แดดออกขออย่าให้พวกเราเจ็บไข้ให้มีอายุหมื่นปีขอขอเจ้าสัตว์โลกนั้นขอใหญ่หมดหรื อ, อยังละ่ะสิ่งที่พวกเจ้าต้องการพระอินทร์รับสั่งถามอย่างท้อพระไทยยังมีอีกเยอะ เจสัตว์โลกนั้นว่าถ้ายังก็ว่าไปสิพระอินทร์ว่ามันยังคิดไม่ทันเจ้าจะต้องการเวลาคิดนานสักเท่าไรละ่ะพระอินทร์รับสั่งคิดจนตายนั่นแหละท่านสัตว์โลกพูดหน้าตาเฉยคิดจนตายแล้วจะหมดไหมพระอินทร์ว่าก็ยังไม่หมดอยู่ดีล่ะท่าน สัตว์โลกชักจะอ่อนใจบ้างเหมือนกันอะไรกันพระอินทร์ชักสงสยัยเพียงแต่จะคิดดูว่าตัวเองต้องการอะไรบ้างคิดต่างแต่เกิดจนตายไม่หมดเทียวหรือถูกแล้วสี่ท่านผู้เป็นนายพวกเราไม่มีใครสามารถที่จะนับสิ่งที่ตัวต้องการได้ครบสัตว์โลกพูดอย่างใช้ความคิด ก่อแล้วจะให้ข้าทำยังไงพระอินทรงกังขาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านให้ท่านจัดเทวดามาคอยบริการพวกเราทุกบ้านทุกเรือนก็แล้วกันเพื่อไม่ต้องรบกวนท่านบอยสัตว์โลกพูดแสดงว่าตัวก็เห็นใจพระอินท์ถ้าจัดเทวดาให้อย่างนั้นแล้วคงจะพอสินะพระอินทว่า มันก็ยังไม่พออยู่ดีแหละท่านสัตว์ลอกนิ่งอึ้งอยู่พักหนึ่งแล้วพูดขึ้นถ้าเช่นนั้นจะให้ข้าทำยังไงพระอินตรัสถามอย่างเบื่อหน่ายเอากันง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าท่านพระอินผู้เป็นใหญ่คือว่าขอให้ข้าเป็นพระอินเสียเองก็แล้วกันหน่อยมีแผนจะแย่งตำแหน่งพระอินนี่ล่า มีนาหละ่ะใหเอารายกี่อย่างกี่อย่างก็ไม่พอใจทั้งนั้นพระอินอุทานเบาๆแล้วก็ทรงเปิดดูทะเบียนสั ม, มโนโครวัวตรวจรูปพันสันฐานของสัตว์โลกนั้นแล้วจึงทรงพระดำรัสเบาๆพลางเงยพระพักขึ้นทอดไปอย่างสัตว์โลกผู้นั้นว่าโอ้ สัตว์โลกชนิดนี้เองที่ชื่อว่าคนทรงปล่อยให้ความเงียบแผ่คลุมทั่วขุนเขาพระสุเมนครูใหญ่ในที่สุดก็เลยประกาศลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวเรื่องที่เล่านี้นึกถึงหัวอกพระอินทร์ท่านแล้วก็นึกถึงหัวใจของผู้เป็นประมุขของกลุ่มชนทั้งหลาย เกิดมาเป็นคนแล้วมันก็ยุ่งเต็มตัวอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแต่คนที่เป็นใหญ่เขายัางไปแบกความยุ่งของคนอื่นเข้าไว้อีกด้วยแล้วว่าก็ว่าเธอคนเราที่เกิดมาเป็นคนแล้วที่จะไม่มีเรื่องยุ่งเลยเป็นไม่มีมีลูกกี่คนมีหลานกี่คนมีผัวมีเมียมีพวกพ้องบริวารกี่คน ก็ตัวยุ่งทั้งนั้นร้อยคนก็ร้อยยุ่งพันคนก็พันยุ่งจะต่างกันก็ตรงที่ว่าใครยุ่งมากยุ่งน้อยเท่านั้นเอง